อะตสัมมาสัมพุทธะนโมัะอาวะตุหตสัมมาสัมพุทธะนักโมทัะอาวะตุหตสัมมาสัมพุทธะธังเทนะงัชามิธรามังนะงัชามิ สังขังสารนองกัตชามิบุติยัมติบุธังสารนองกัตชามิบติยัมติธรรมสารงัามิุตยัมิสังังสรนองกัตามิยัมิบุธังสรนองกัตามิ ตัดยามตีทามังะระนองกาชามิตัยามตีสังฆังะระนงชามิตะระนาคมนังมิทีตังปานาทิปตาเวรมเนสิกาปนดังสัมมาิยามิ อาดิ d นาดาเวรามเนสิ p ้าปันดังสมาดิยามิคาเมสุมิชาจาราเวรามเนสิกปัังสมาดิยามิมุสาวาดาเวรามเนสิกปัังสมาิยามิ ภูรามีระยะมัจฉะพมานัตพา a าวีระมเนศสิก้าปัญญามาดียามิภูมานิปัญจสิกปัามีสีเลนนสุกติยันติสีเลนนัภโภสัมปนาสีเลนนิุติยันติัมาสีลงโะย ที่วางในพระมาจากคนคนพูดได้พระก็พูดได้เทศก็ได้พูดก็ได้ธรรมดานี่ได้เพราะพระนสําสเร็จมาจากคน้นท่านจึงเป็นไปได้เหมือนคนในเมื่อว่าขัดจากถ้ำจากวินัยแล้ะท่านได้เหมือนคนเพราะย่านจึงพระจะพูดได้เหมือนคนวันนี้ได้มาพบกับท่านทั้งหลายที่ให้สื่อสมมติกันว่า ลูกเสือชาวบ้านพากันจาให้ดีนะลูกเสือชาวบ้านเพียงสามัคคีกันหลักใหญ่ก็คือประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสมบัติอันมีค่าของเราเราเป็นผู้รักษาสมบัติอันมีค่านี้ด้วยกันการรักษาสมบัติอันมีค่าของตนของตนนั้นต้องอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันในเหตุในผลใดที่ควรจะ เป็นความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองให้ต่างคนต่างมีความเสียสละอย่าเห็นแกเราแก่ท่านอย่าเห็นแกความขี้เกียดอ่อนแออย่าเห็นแก่เรื่องขอไปทีนั่นไม่ใช่เรื่องความสามัคคีความสามัคคีนี้ทางหลักพุทธศาสนาท่านแสดงไว้อย่างมากมายและถือเป็นความสาคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดๆภายในตัวของเรา เป่นเวลาร่างกายั้งเรามีความปรองดองสามัคคีกันคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยความเป็นสุขสบายขาดสันทำ ง, งานเป็นปกติไม่เจ็บล้องปวดทีสัหรือมีคนมีการในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นความขัดข้องแต่ส่วนใหญ่ทางร่างกายเวลานั้นเราจะลุกเถินเดินไปมาทำหน้าที่การงานคิดผ่านอะไรก็ปอตรงทาอะไรก็สะดวกสบาย นี่คือความร่อมเพียงสามัคคีในร่างกายของเรามีงานหนักงานเบาเราสามารถทำได้จนถึงนั้นสาเร็จร่วมไปได้ตามความมุ่งหมายแต่ถ้าหาการใดร่างกายของเราเกิดความขัดแย้งไม่มีความสามัคคีเจ็บนั่นปวดนี่แล้วจะเป็นส่วนมากน้อยอย่างไรก็ตามต้องแสดงซึ่งความขัดข้องตัดกำลังบางชา ลดหน้าที่การงานของเราให้ลดลงไปโดยลําดับลํำดับผลสุดท้ายทํางานอะไรไม่ได้เพราะความสามัคคีกันมันแตกจากร่างกายเมือ่อความเป็นอย่างรุนแรงขึ้นมาก็เรียกว่าตายหมดผลประโยชน์ที่จะเป็นได้จากร่างกายนี่คือความแตกสามัคคีแห่งร่างกายเป็นของไม่ดีเลยความแตกสามัคคีในครอบครัวก็เช่นเดียวกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกต้องมีความกล้มเพียงสามัคคีกัน สิงที่จะให้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงยึดเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติต้องหมายถึงหลักกฎหมายบ้านเมืองหลักศีลหลักธรรมอันนี้เป็นหลักที่ทําความสงบสุขให้แก่ส่วนรวมทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ต้องอาศัยหลักความถูกต้องแม่นยาเป็นเครื่องดําเนินกฎหมายบ้านเมืองที่มีไว้ก็เพื่อรักษามหมู่ชนให้อยู่ได้กันด้วยพระด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เหียดเอดร้อนทําลายซึ่งกันและกันเป็นต้น บ้านใดเมืองใดก็ดีก็ดีถ้ามีมขอบเขตไมมีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรไม่มีขนบธรรมเนียมอันดีงามเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติบ้านเมืองนั่ น, น, นจะเป็นบ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองหรือสงบสุขไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักขือของหรือแปรของบ้านเมืองนั่นก็ได้แกกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมลองลงมาก็คือขนดขนบธรรมเนียมและศีลธรรมเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดในมนุษย์เรามนุษย์ใดก็ตามถ้าหาดศีลธรรมแล้ว แม้จะมีกฎหมายบ้านเมืองอยู่ก็ตามเพราะกฎหมายบ้านเมืองรักษาในที่แจ้งเท่านั้นไม่สามารถที่จะรักษาในที่รับได้แต่ส่วนสินธรรมนั้นไม่มีที่แจ้งที่รับมีความเห็นดกเห็นใจมีความรู้สึกทั่วดีมีความรัดทราบมีความขยาดขยั่งต่อสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือในที่รับไม่อาจจะทําลงได้เพราะเห็นว่าสิ่งนั้นทําลงไปในที่แจ้งก็ตามที่รับก็ตามย่อมเป็นความเสียหายเสมอไปผู้มีสินธรรมจึงไม่กล้าที่จะทํา ความชั่วทั้งในที่แจ้งและทิ่รักแต่ถ้าภูมิมีตั้งแต่หลักความรู้วิชาทางโลกใครเดียวเช่นจะรู้กฎหมายบ้านเมืองมามากเพียงไรก็ตามถ้ามันมีศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนนักกฎหมายคนนั้นแหละเป็นผู้ที่โกหกเก่งที่สุดเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมที่สุดก่อความดอดร้อนให้แก่คนได้มากที่สุดคือคนที่มีความรู้วิชามากมนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนความชั่วของตนเรียกว่าเป็นผู้มีอาวุธหรือมีเครื่องมือทําลายคนได้มาก มีขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมมีในผู้ใดจะเป็นคนที่มีความรู้รมากมีความรู้น้อยก็ตามน่ารักน่าสงสารเป็นคนที่น่าเคารพบูชาน่ากราบไหว้น่านับถือน่าไว้อกไว้ใจหริษตาใจได้เพราะฉะนั้นหลักศีลธรรมจึงเป็นความจําเป็นสําหรับหมู่ชนเราคือมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญจะต้องรักษาไว้ด้วยดีถ้าหาว่าขาดศีลธรรมลงไปแล้วก็เท่ากับขาดคุณภาพแห่งมนุษย์เรา มนุษย์เราจะมีความมีคุณค่าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังที่โลกทั้งหลายสมมุติว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ต้องอาศัยหลักความประพฤติหลักศีลทำเป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่องทุกเลี้ยงหรือเป็นเครื่องส่งเสริมถ้ามนุษย์ดาวขาขดศีลขาดธรรมเสียเท่านั้นแม้จะไม่มีหางเหมือนสุนัขก็าตามเขาเรียกว่าหมาก็ไม่ผิดเพราะเหตุใดก็เพราะว่ามนุษย์เดานี้ฉลาดมากกว่าสัตว์มีสุนัขเป็นต้น และสามารถที่จะทําความชั่วช้าละมกความชิดชิบหายวาปวงให้โลกนี้พินาศชิบหายได้ในวินาทีเดียวก็ได้เพราะความฉลาดมีมากเนื่องจากไม่มีทำเครื่องปกครองไม่มีทำเป็นเบรกเป็นเครื่องห้ามล้อความรู้ความเห็นอันั้นจึงเป็นไปตามอัตโนมัติเป็นไปตามอัฐาใจเป็นไปตามความชอบความชอบนี้ส่วนมากถ้าไม่มีสิ่งทำและต้องชอบในภายตา่ํา ชอบในการเบียดเบียนคนอื่นชอบในการกระทำคเามผิดนคนอื่นเพื่อยกตัวให้เหนือเขาเสมอความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราถือพุทธศาสนาเป็นสำคัญเพระพุทธศาสนาเนนพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความไว้อกไว้ใจแก่มนุษย์ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มูชนผู้ถือพุทธศาสนาหรือผู้ถืสิ่คำของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมนุษย์เราไว้เห็นว่าเป็นผู้สมควรเป็นผู้สามารถที่จะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหตุเรื่องผลความผิดความถูกชั่วดีได้ดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงต้องประกาศธรรมสอนไว้เพื่อมนุษย์ศาสนาจึงเป็นความจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญในหมู่ชนให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ดังเบื้องต้นที่ได้ท่านทั้งหลายได้ประกาศว่ามยายังพันเตเป็นต้นนี่ก็คือขอถือพระพุทธเจ้า ถ้าธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคำว่าพุทธังเทนะกะฉามิธรรมังสังฆังเทนะกฉามินี้หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมที่เป็นพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่รู้ดีรู้ชอบตามสเสด็จพระพุทธเจ้าถึงความบริสุทธิ์เรียกว่าสงฆ์สาวกที้หนึ่งทั้งสามลัตตนานี้เป็นคุณภาพคุณสมบัติอันเลิศประเสริฐในโลกไม่มีสมบัติใดจะประเสริฐยิ่งกว่าสมบัติทั้งสามนี้ พูดถึงเรื่องความตายใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยังสัตว์โลกให้ตายใจได้ทั่วไปพูดถึงธรรมเป็นธรรมที่แน่นอนที่สุดเป็นความถูกต้องแม่นยําไม่มีไม่ยังผู้ใดที่ประพฤติตามธรรมแล้วให้ผิดพลาดไปให้เสียให้เสียผลเสียประโยชน์โดยเป็นโมฆะอย่างนั้นไม่มีถ้าสงสาว่าคำพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุ ธ, ธรรมถึงขั้นอรหัตเรียกว่าสาวก ชาวะกะบุคคลอันนี้ก็เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ตายใจของชาวพุทธเราได้ร้อยเปอร์ซการที่เรากล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็น <c oughs> ที่ฝากเป็นฝากตายเป็นที่ <c oughs> ไว้อกไว้ใจได้เข้ามาสู่ใจิตใจของตนเพื่อเป็นที่ยึดจิตถือจึงเป็นความถูกต้องแน่นรัทสำหนับชาวพุทธเราขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ภายในใ จ, ใจิตใจ เวลาเราจะทำความไม่ดีไม่งามอะไรเราจะได้เลืถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความเมตตาสอนในการการทำสุจริญการไปทำผู้จริตความไม่ดีไม่งามมีการกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้กาก็เป็นเหตุให้ขยะขยะภายในภายในตัวเรียกว่าหิริโอตตะปะเป็นผู้สะดุ้งตัวต่อบาปข้อความเคารวพระพุทธเจ้านี่เราจะทำอะไรก็ตามเช่นอย่างเราลึกถึง พ, พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมมีความนิ่มนวลที่สุดมีความอ่อนโยนที่สุด เรงเมตตาก็คือพระธรรมคนที่มีเมตตาไปที่ไหนไม่เป็นภัยต่อผู้ใดหลักเมตตาจึงเป็นสิ่งต้องการไม่เคยจืดจางมีเป็นหลักเป็นฐานมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินจกนกระทั่งถึงบัดนี้คนที่มีเมตตาต้องมีความเฉลี่ยเปื่อแผลต้องเป็นผู้กว้างขวางด้วยน้ําใจด้วยการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและการแนะนำสัง่งสอนด้วยอุบายต่าง ๆ, างๆมีความเสียสละเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขควาสบายเพราะเห็นใจเขาเห็นใจเรา คนเราทุกท่านเมื่อต่างคนต่างมีเมตตาธรรมอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ถือสูงถือต่ำถือเป็นเพื่อนทุกเกิแกเกดแจ่เจ็บตายด้วยกันถือเป็นผู้มีคุณค่าด้วยกันมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในบ้านไม่ว่าจ ะ, จะเกิดในเมืองไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามย่อมถือว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยกันเมื่อความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยกันความรู้สึกมีเหมือนกันคุณค่ามีมีเหมือนกันแล้วมันก็ียัดยานดูถูกกันไม่ลงเพราะอำนาจแห่งธรรมคือความเสมอภาค นี่คความสมรภาพของศาสนาเป็นอย่างนี้ให้ท่านต่างหลายได้เข้าใจเอาไว้ว่าความสมรรภาพของศาสนาเป็นอย่างไรความสมรภาพของศาสนานนั้นคือเป็นมิตรเป็นสหายกันได้อย่างสนิทตายใจไม่มีความรักแค่ราคายไม่ถือชาติชั้นวรรณะไม่ถือสูงถือต่ำไม่อวดดีปวดดีว่าตนมีความรู้ความฉลาดไม่อวดดีปวดดีว่าตนอยู่ในฐานะหรือชั้นสูงดังนี้เป็นต้นแต่ถือว่าเป็นเพื่อน ด้วยกันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกันจะเกิดอยู่ในชาติั้นวันณะใดสถานที่ใดก็ตามในบ้านในเมืองบ้านนอกอกาะนาภูเขาเราก็ก็เกิดเป็นมนุษย์หากมันเกิดอยู่ในบ้านมันก็เป็นสัตว์โดยสมบูรณ์ทั้งมันเราจะเกิดอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูร์พร่อแม่เราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนจะเปเรียกว่าสัตว์ได้อย่างไรก็ต้องเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นมนุษย์จึงเคารพสิทธิของมมนุษย์มนุษย์จึง มีคุณค่าเสมอกันความมีคุณค่าเสมอการจึงเป็นสิ่งที่น่าเคารพซึ่งกันและกันไม่ควรจะทําการดูถูกหยาดยามหรือทําลายซึ่งกันและกันอันเป็นการทําลายจิตใจและทรัพย์สมบัติของเขาให้ทิพไผ่ ป, ป่วยตีการทําทาลายจิตใจและสมบัติซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เจ็บแสบมากที่สุดคนที่ฆ่ากันในที่รับก่อตามในที่แจ้งก่อตามก็เพราะเหตุว่าคนไม่ไหวเหมื่อทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องแสดงการตอบรับเรื่อกันเอาน้ำสกปรก ไปล้างทะล้างใจะฐานที่ศกกระปกก็ยิ่งเกิดความศกกระปตกยิ่งขึ้นนี่เหล่เวรที่ก่อเวรกันขึ้นมาแม่หยุดไม่ถอยก็เพราะความโกรธแค้นตอบรับกันด้วยความโกรธแค้นพื่อการทําลายกันถ้าต่างคนต่างมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าของท่านของเราแล้วต่างคนก็มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วทํากันไม่ลงแล้วต่างคนก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้น หลักศาสนาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดที่มนุษย์เราผููต้องการความสงบสุขผู้เห็นคุณค่าของตนและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่ามีคุณค่าเสมอกันจะพึงน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตนอย่าลืมคนอื่นเมื่อเรามองตัวของเราว่าเป็นมนุษย์เราก็ควรจะมองคนอื่นว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมองกันให้เห็นมีคุณค่าเหมือนกันเสมอกันแล้วคนเราก็อยู่ด้วยกันเป็นภารสุขไม่ดูถูกเกียร์ายามซึ่งกันและกัน อยู่ที่ไหนก็สนิทสนมซึ่งกันและกันและมีความไว้ไว้วางใจกันได้มีหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจหลักเมตาตาสงสารซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกให้เราทั้งหลายได้รับถัดรับธรรมจากท่านสอบกับความเมตตานี่เราทั้งหลายได้สมัครตนเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นพลัง คือเป็นกําลังของชาติคนหนึ่งสองคนบวกกันเข้าบวกกันเข้ารวมกันเข้าก็มีกําลังมากเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความสงอบร่วมเย็นความเป็นเอกสิทธิ์ความเปนเอกลักษณ์เป็นความเย็น อ, อกเย็นใจเป็นความมีเสรีเช่นอย่างร่างกายของเราเรามีสิทธิมีเสีดีในร่างกายในครอบคัวของเราในบ้านของเรา นี่เราก็มีเสรดินในประเทศของเราการที่มีความเป็นอันใดที่เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าเป็นผู้ใหญ่ปกครองประเทศชาติของเราประเทศชาตินั้นเป็นสมบัติของเรานี่ถือว่าถือว่าเราเป็นผู้มีความภูมิใจมีสมบัติอันล้นพ่าไว้เป็นสมบัติของตนคือประเทศชาติคําว่าประเทศนี่หมายถึงั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในขอบเขตของเมืองไทยเราและคนในประเทศชาติในประเทศไทยเราทั้งหมด รวมแล้วเรียกว่าชาติไทยต่างคนจึงเป็นเจ้าของต่างคนจึงเป็นสมบัติของชาติและต่างคนต่างเป็นเจ้าของของชาติและต่างคนก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบของชาติของตนเมื่อต่างคนต่างมีความรับผิดชอบแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมเชียงสามัคคีรักษาประเทศชาติของตนจิงใดที่จะม า, มาทําลายประเทศชาติกอให้พึงตําเนียกให้พึงสังเกตพึงระมัด ร, ระวัง คำพูดใดก็ตามคำพูดนี้เป็นลมปากก็จริงแต่เป็นสิ่งที่เนบที่สุดเป็นสิ่งที่ให้ร้ายที่สุดก็คือคำพูดเราต้องระมัดระวังเราต้องสังเกตการเรียนก็เรียนเพื่อความเจริญของตนเองและเพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองการประพฤติปฏิบัติตนก็เหมือนกันเวลานี้เราเป็นลูกเสือพร้อมเพียงสามัคคีกันทาประโยชน์ให้บ้านให้เมืองให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบั ต, บติให้มีความกมกืนสามัคคีกัน นี่หลักของบ้านของเมืองที่จะคงอยู่เป็นความสงบสุขได้ก็อาศัยคนของชาติเป็นผู้มีคือมีแปรมีขนบธรรมเนียมมีข้อบงังคับมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามข้อบงังคับตามศีลธรรมนั้นๆที่ท่านสั่งสอนไว้หรือที่ท่านประกาศไว้นี่แหละคือหลักแห่งความร่มเย็นของชาติ การทำลายล้างสารซึ่งกันและกันการโฉกการลักการต้นการขี้การสะรมการพูดจาลิบต่างๆไม่ใช่เป็นความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองแต่เป็นการทำลายจิตใจของคนอื่นและสมบัติของคนอื่นให้เสียหายและเกิดความเดือดร้อนทามใจนั่นไม่ใช่ทางของเราผู้ยังประเทศชาติให้เจริญจะพึงสนใจและพึงกระทําแล้วอย่าลืมว่าเราทุกคนที่มานั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ดี ที่เป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโดยลําดับลําดับก็ดีเรามีพ่อมีแม่เป็นแรงเกิดเราเกิดมาทีแรกไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้กํากับรักษามาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งถึงตกทอดออกมาเรายังไม่สามารถที่จะรักษาหรือเลี้ยงตนได้ต้องอาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงประคับประองเลื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน พอสมควรที่จะได้รับการศึกษาอบรมหรือศึกษาเรืงเรียนนิชาต่างๆแล้วพ่อแม่ก็ส่งเข้าศึกษาเรืงเรียนจะหมดไปจํานวนมากน้อเชียงรายก็ตามค่ะเครื่องเรืงเรียนค่ะกระดาษดินสอค่ะเพื่อการเจงเครื่องเรียนต่างๆเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่นับภาระหามาให้เราทั้งหมดตัวเราเองไม่มีอะไรตั้งแต่ร่างกายทั้งร่างก็พ่อแม่เป็นผู้ผิดขึ้นมา เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ชุบเลี้ยงเป็นผู้บำรุงรักษาให้ความปลอดภัยและส่งเสริมไม่มีความเจริญขึ้นทางร่างกายและจิตใจตลอดความรู้วิชาโดยลํำดับลำดับตัวเราเองไม่มีอะไรไม่มีคุณค่าอะไรเลยทีเดียวมีแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์ทางรู้วิชาที่จะสามารถรักษาตนนั้นไม่มีนี่เราก็ได้เจริญมาพอสมควรในศึกษาเราเรียนท่านกอไก่ขอไข่มาเรื่อยจนกระทั่งประฐมมัธยมปริญญ า, ป, ญญาปีปริญญาโทรปริญญาเอกนี่อย่าอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ของเรา อย่าลืมครูลืมอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ถึงผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ทรงเถริมมาก่อนให้เราระลึกถึงครูของเราเสมอผู้ใดเป็นคนอักตรันอยู่ไม่รู้บุญรู้คุณเห็นจักปัจจุบันของตนว่าตนมีความรู้ตนมีความถนมันดตนพอตัวแล้วเท่านั้นโดยแม้คำหนึงถึงท่านผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอนเรามาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้นี่รียวกว่าคนอกตรันอยู่ คนละกตัญญูคนไม่รู้จักบุญจากคุณจะมีความรู้วิชาฐานะสูงต่ําขนาดไหนก็ตามมันก็เหมือนต้นไม้ที่สูงๆอยู่เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ท่านแดและไม่มีใบที่จะพอให้เป็นความร่มเยงนให้ท่านทั้งหลายศึกษาไว้ในตอนนี้เราทุกคนเกิดมาจากพ่อจากแม่ได้รับความรู้วิชามาจากครูจากอาจารย์เราจะถือว่าเราเก่งกล้าสามารถเวลานี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพราะความรู้ผิดนิพิจิตรไปต่างๆหาก จะมีใครผู้ใดพูดหึงมาพูดว่าเวลานี้โลกกาลังเป็นบ้าก็ไม่น่าจะผิดเพราะมันไม่น่าจะเป็นมันก็เป็น <c oughs> อย่างเด็กนี้เป็นต้นเออาก็บางทีจับอาจารย์เข้าขังในห้องขังก็มีเอออเาก็พ้องไล่ครูไล่อาจารย์เป็นแหลกแล้วไปหมดก็มีเ <c oughs> บื้องต้นทาก็รู้สึกว่าดีทั้นต่อมาต่อมาเลยลืมครูลืมอาจารย์ลืมพ่อลืมแม่แล้วต่อไปเนี่ย ถ้ า, าว่าเรื่องความเป็นมันเป็นอยู่เรื่อยๆอนี้เดี๋ยวมันจะจับพ่อจับแม่เข้าไปขังไว้ในห้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถือว่าพ่อแม่นี้เป็นนักโทษเป็นคนคืบเป็นคนลา้าสมัยไม่ได้ทันสมัยเหมือนอย่างเราอย่างนี้จะเป็นไปได้นะขอให้ท่านทั้งหลายได้สํานึกเอาไว้ในข้อนี้โลกเวลามันหมุนเย็นเข้าไปจริงๆแล้วความรู้วิชาจะมากเพียงไรก็าตามมันจะมีแต่เรื่องโหดร้ายธารุณเป็นผู้บังคับบัญชาให้เราสแสดงออกในทางกายทางวาจาทางความประพฤติต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆและสุดท้ายความรู้ทั้งหมดเลยกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ เพาะไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเหตุผลมีตั้งแต่ความอยากเด่นอยากดังอยากสูงอยากเยี่ยมกับเพื่อนตกลงก็เลยตามไปหมดเลยสุดท้ายก็เลยชิบหายไปทั้งประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมไปเพราะหัวทันสมัยให้ท่านทั้งหลายเข้าใจาไว้ในตอนนี้ความถูกต้องดีงามนั้นดังหลักพุทธศาสานาท่านสอนไว้บุพการีของเราคือใครคือพ่อแม่ของเราเป็นผู้เลีย้ยงดูเรามาตั้งแต่วันเกิดโดยลําดับลําดาบ ไม่มีผู้ใดจะเสียทละไม่มีผู้ใดที่จะรักจะสงสารเมตตาสุดยอดยิ่งกว่าพ่อก่อแม่ลูกแต่ละคนละคนนั้นน่ะมีอำนาจมากที่จะกดขี่บงังคับพ่อแม่ให้ทำตามใจของตนยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งมีอำนาจมากพ่อแม่ก็เพราะการราักการความรักความสงสารลูกพอเห็นว่าเป็นเลือดเมื่อของตน ลูกว่ายังไงที้ให้เป็นนกก็เป็นนกมาที้เป็นกาก็เป็นกามาทั้งๆั้งที่พ่อแม่ไม่ได้เป็นกาไม่ได้เป็นนกที้ให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นมาคือต้องวิ่งเต้นคว้านควายมาให้ตามใจของลูกทุกคนทุกคนลูกคนหนึ่งมันเคยเป็นข้าหลวงมาด้วยกันนั่นแหละเป็นนายอำเภอเป็นนายตำบลเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะเหตุใดลูกคนเล็กๆนั่นเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดชี้ยังไงเอาไม่ได้อย่างใจก็ร้องห่มร้องให้พ่อแม่ก็ต้องวิ่งขนขวายหามาให้ได้ต่างใจนี่แหะเทียบเหมือนกับข้าหลวงและอำนาจของลูกคนนี้ ลูกคนเล็กอำนาจเหมือนกับข้าหลวงพอโตอขึ้นมาหน่อยอำนาจก็ค่อยลดลงลดลงมาเป็นนายอำเภอพอโตอขึ้นไปพอสมควรแล้วก็ลดลงมาเป็นกำนันลดลงมาเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่มันจะลดลงไปให้เป็นชาวบ้านธรรมดาระหว่างพ่อแม่กับลูกนี้มันไม่ยอมลดอันนี้แหละขอให้ลูกทุกๆคนเข้าใจเอาไว้เราอย่าถือชิดจนเกินไปเราจา ก, กดขี่กลมเหงคพ่อแม่โดยไม่มีเจตนาในความรู้สึก แตเป็นทิฏฐิมณ ะ, ะด้วยความถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเคยได้ชี้เอาตามใจชอบมาตั้งแต่เล็กจนกรทั่งโตอยากได้อะไรก็มารบกวนพ่อแม่ให้ได้อย่างใจบางทีทะเลาะวิวาสกับพ่อกับแม่อยากได้เงินเท่านั้นอยากได้สิ่งของเท่านี้ยุ่งไปหมดพ่อแม่จนหัวเสียดีมาดีมันขโมยเอะไรท่าทก็มีแล้วดูดามากาวพ่อแม่เหมือนกับเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนั่นก็มี นี่เป็นความผิดขอให้ท่านทุกทั้งหลายทุกๆคนซึ่งมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดกรุณาได้พิจารณาข้อนี้เป็นหลักใจแล้วให้เทิดทุนพ่อแม่ถึงจะเป็นผู้จนขนาดไหนก็ตามพ่อแม่พยายามเลี้ยงลูกของตนมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเต็มกำลังความสามารถจนกลายเป็นเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโดยลํานับและโตขึ้นมาอย่างที่เราเราท่านท่านเห็นกันอยู่เวลา น, นี้โตขึ้นมาจากพ่อจากแม่ที่จะเป็นคนจนก็ตามคนนี้ก็ตาม โตขึ้นมาด้วยความเมตตาสงสารด้วยความรักความคน้นคว้าของพ่อแม่ทั้งนั้นลูกคนหนึ่งคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าเราจะทําสถิติในการจัดจ่ายสําหรับลูกคนนั้นๆไว้จะหมดไปมากมายกายกองแต่ไม่ปรากฏว่ามีพ่อมีแม่ของลูกคนใดที่จะเขียนสถิติลงบัญชีเอาไว้ว่าตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาปรากฏในท้องมียาบํารุงครรภ์เป็นต้นโดยลําดับลําดับมาจนกระทั่งถึงแบบนี้หมดเงินไปเท่าไหร่ ไม่มีพ่อแม่ของเด็กของลูกคนใดจะเขียนเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าความรักความสงสารความเป็นลูกของตนแล้วลูกคนหนึ่งคนหนึ่งพ่อแม่คนหนึ่งคนหนึ่งมีลูกประมาณักเท่าไหรแล้วพ่อแม่ได้เสียท่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกคนนั้นนมาจนเติบโตขนาดนี้จะหมดเงินไปเท่าไรทรัพย์สมบัติเงินทองสิ้นไปเท่าไรหมดไปเท่าไร นี่แหละคือคุณของพ่อของแม่คุณความเมตตาสงสารท่านจึงเรียกว่า บ, บิดามารดาเป็นพรของบุตรคือรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเมตตาสงสารด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเสียชนะด้วยความบริสุทธิ์ใจเสียชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนจะตายก็ตามขอให้ลูกยังมีชีวิตขอให้ยูกมีความเจริญเติบโ ต, ตขึ้นเหมือนบ้านเมืองเขานี่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของพ่อของแม่ที่มอบให้แก่บุตรโดยลำดับแม้ลูกตนจะมีความเจริญมีฐานะสูงสัมขนาดไหนก็ตาม ความอะไรของแม่ความเมตตาสงสารของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ฝังอย่างลึกลับถอนไม่ออกตลอดวันตายนี่เพราะฉะนั้นลูกคนใดที่มีความกระตันมีความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่จึงเป็นลูกที่ทิบพายล่มจมทั้งทั้งสี่บาตนเกเินอยู่ให้ท่านทั้งหลายเนีเข้าใจเอาไว้ในข้อนี้นี่หลักพุทธศาสนาท่านสอนให้เรารู้จักบุญกักคุณของท่านผู้มีคุณต่อจากนั้นมาก็คือครูคืออาจารย์ ในโรงเรียน น, นั้นๆเราไปศึกษาอารมณ์กับครูอาจารย์ในเราควรจะเคารพครูอาจารย์นั้นๆเป็นอาจารย์ของเราแล้วอย่าก้าวกายอยา่าท่นงตนอย่าอวดว่าตนมีความรู้แม้เราจะไปเรียนวิชาที่ไหนไหนได้มีความรู้สูงยิ่งกว่าอาจารย์ของเราก็ตามมันก็เช่นเดียวกับครูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันจะสูงขนาดไหนก็ตามแต่มันก็อยู่ใต้ป่าเท้าของคนที่เดินก้าวขึ้นไปบนภูเขานั่นแหละ ลูกศิษย์จะเก่งขนาดไหนก็ตามก็คือลูกศิษย์ของครูอาจารย์องค์นั้นนะครูอาจารย์องค์นั้นจึงเป็นเหมือนกับฝ่าเท้าต้องสูงกว่าภูเขาเสมอนี่เราทั้งหลายเข้าใจไว้อย่างนี้แล้วเราจะได้ดําเนินเดินไปตามเหตุตามผลรู้จักความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยรู้จักสัมมาคารวะซึ่งกันและกันนี่โลกมนุษย์เราเฉพาะยานยิ่งเมืองไทยเรานี่ถือความเคารพเป็นสิ่งสาคัญความคารวะนี้ทาจิตใจของคนให้อ่อนน้อมต่อกันไม่ทะนงตน นี่เป็นหลักของศาสนาที่เคยนับถือมาพุทธศาสนาก็ถือเรื่องการเคารพเป็นสิ่งสําคัญถ้าบวชในเวลาเดียวกันก็ตามผิดกันแม่นาทีหนึ่งก็ต้องเคารพกันถือว่าผู้นั้นบวชก่อนต้องให้ผู้นั้นเป็นอาวุโสจะออกมาจากตระกูลพระราชามหาการย์ก็ตามผู้ใดเป็นผู้บวชก่อนต้องถือผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นอาวุโสมีผู้ใดเป็นผู้ให้บุญให้คุณต่อเราก่อนถึงผู้นั้นจะอาภัพไปด้วยอํานาจวารณ์ฐานะความรู้วิชาไม่ เหมือนลูกศิษย์ก็ตามลูกศิษย์ก็ควรจะเคารพ บ, บูชาเพราะผู้นั้นเป็นอาวุโสเพื่อคุณสมบัติให้เราได้รับความรู้วิชาจนกระทั่งเรามีความรู้วิชาสูงกับครูได้ก็เพราะได้รับความสนับสนุนจากครูปัจจุบันนี้กําลังวุ่นวายสังคมต่างๆไม่ว่าที่ไหนวุ่นวายกันไปหมดเพราะเหตุใดจรึงต้องวุ่นวายเพราะจิตใจของคนวุ่นวาย ถ้าจิตใจมีความสงบจิตใจมีเหตุมีผลบ้างความวุ่นวานั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่นี่เพราะเรื่องจิตใจไม่ได้รับการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาซึ่งควรจะได้อบรมศีลธรรมพ่อแม่ของเราก็เป็นคนวัดคนวาเราเกิดมาก็เกิดจากพ่อจากแม่ควรจะเป็นลูกวัดลูกวาเข้าใกล้พระเจ้าพระสงฆ์ได้ศึกษาปารองทางศีลทางธรรมบ้างการเหินห่างจากศีลจากธรรมไม่ใช่เป็นของดีเป็นการลดคุณค่าของมนุษย์และฝังตัวของเราลงโดยลำดับลำดับ ศีล ท, ทาเป็นสิ่งสาคัญเป็นสิ่งจําเป็นมากผู้ปฏิบัติไม่สนใจกับศีลกับธรรมแล้วก็ไปอย่างเลื่อนลอยไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์การฟุ้งเฟอเ้อเหเหิมก็จนลืมเนื้อลืมตัวเสียคนไปได้เพราะไม่มีเครื่องยับยัง้งไม่มีเบรกคือไม่มีธรรมเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกีดขวาง เพราะฉะนั้นทำจึงเป็นเครื่องทั้งเครื่องส่งเสริมเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปให้มีความสงบสุขให้ตั้งตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานทั้งเป็นเครื่องขีดกันหัวห้ามไม่ทําความชัว่วเป็นความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นนี่หลักศาสนาจึงมีแต่การส่งเสริมให้คนดีโดยไายเดียวไม่มีบทธรรมบทใดศาสนาในแง่ใดทีด่จะกดถ่วงโลกสงสารให้ได้ทางความเจริญดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกัน คนที่เข้าใจเช่นนั้นคือคนไม่ไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้ปฏิบัติศาสนาจริงต้องเอาศาสนามาตำหนิจิเทียนอย่างนั้นความจริงศาสนาที่เกิดขึ้นมาจากขั้นผู้วิเศษในโลกนี้ไม่มีใครที่จะวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระคนทั้งหลายมีกิเลสเต็มตัวการมีกิเลสเต็มตัวก็คือมีมีความชั่วเต็มใจนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีกิเลสภ า, ายในหัวใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ การสอนธรรมออกมาสู่โลกสู่สงสานจริงสอนออกมาด้วยความเมตตาสงสารและสอนออกมาด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีคําพูดของผู้ใดที่จะถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าคําพูดของพระพุทธเจ้ า, ย, ายิ่งกว่าธรรมมันเป็นทางดําเนินและเป็นผลที่รับคือความร่มเย็นเป็นสุขศาสนาจริงเป็นเครื่องพยุงถ่ายโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยถายเดียวเท่านั้นการ จ, จีดขวางจากศาสนาไม่มีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ขอให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจระหว่างตนเองกับศาสนา และคำศาสาานานั้นมีอยู่ที่ไหนศาสนาอันแท้จริงคือใครเป็นศาสนาและการเจริญศาสนาจะท่านศาสนาให้เจริญจะทําที่ไหนการจะทําลายศาสนานั้นจะทําลายที่ไหนถ้าไม่ทําลายที่ตัวของเราถ้าไม่ส่งเสริมที่ตัวของเราเพราะศาสนาท่านสอนลงที่ใจมนุษย์เรานี่เท่านั้นอยู่ตามคัมภีร์ใบลานที่ท่านเขียนไว้ตามตู้ตามหีบต่างๆนั้นเป็นคมภีร์อันหนึ่งเป็นตำหลักตาลาถ้าเราเทียบยาก็เหมือนตํารายา ตัวยาแท้ๆจะหาได้จากที่อื่นไม่ได้หาได้ในตำราตำราจะมีแต่ชื่อไปเอาอย่างนั้นอย่างนั้นผสมถึงนั้นที่นั้นเป็นยาแก้โรคแค่นี้นั้นทิ่นั้นนั้นต่างหากนี่เรื่องศาสนาแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่กับคมภีร์บาลานแต่ท่านเขาเรียกว่าศาสนาท่านเขาเรียกว่าพระธรรมเหมือนกันเพราะทำนอกทำในนั่นเป็นธรรมนอกธรรมในจริงๆอยู่กับเราศาสนานอกอย่งหนึ่งศาสนาในอย่างหนึ่งศาสนาในศาสนาอันแท้จริงนั้นอยู่กับเราทุกคน เราจะทำลายศาสนาก็ชื่อว่าเราทําลายตัวของเราเราจะปฏิบัติศาสนาให้จเจริญก็ต้องปฏิบัติตัวเราให้จเจริญจเจริญด้วยความประพฤติทางกายก็ทําให้ถูกต้องดีงามสมกับเป็นพลเมืองดีของชาติสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนการพูดจาก็ไพเระะรอบทิ้งประกอบด้วยเหตุด้วยผลมีสาระสําคัญที่ควรยึดถือเป็นคติเตื่อนใจของทันผู้ฟังทั่ ว, ว, วไปได้ไม่ว่าจะพูดเรื่องใดก็ตามมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีจุดที่หมาย ไม่ได้พูดเดือดเดือดลอยๆไปตามความต้องการหรือตามความชอบใจของความฟุ้งเฟ้อเหวี่ของคนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ทางใจก็ต้องคิดอ่านเสียก่อนเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดอ่านด้วยเหตุโดยผลสมควรทําค่อยทําไม่สมควรแม้จะอยากทําก็ต้องท่ามตัวเองเพราะเป็นทางผิดผืนทําลงไปก็ต้องผิดนี่เรียกว่าเป็นผู้ระมัดระวังเป็นผู้รักษาทศขารักษาศาสนารักษาที่ตัวของเรา การทำลายศาสนาก็คือทำลายตนด้วย ก, การประพฤติตัวไม่ดีนั่นเองนอกจากการประพฤติตัวไม่ดีแล้วยังสอนคนอื่นให้ทำไม่ดีด้วยนี่เรียกว่าเป็นการทำลายตนศาสนาอยู่กับเราฉะนั้นจึงเป็นการทำลายเราเพราะการทำลายศาสนาเป็นการส่งเสริมเราเพราะการส่งเสริมศาสนาเนื่องจากศาสนาอยู่กับเราท่านสอนให้คนประพฤติดีประพฤติชอบ <Adventure. S 1> ก็เพื่อให้คนมีความสุขความเยินอนภาพความผิดก็อยู่ที่คน ความถูกก็อยู่ที่คนความรุ่มร้อนก็อยู่ที่มนุษย์ความร่มเย็นเป็นสุขก็อยู่ที่มนุษย์ศาสนาจึงสอนลงที่มนุษย์การทำลายศาสนาจริงเป็นการทำลายมนุษย์โดยตรงและต่อจากนี้ไปก็หากท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอันใดก็จะเปิดโอกาสให้สักถามได้โดยเป็นกันเอง อันใดที่ไม่ขัดข้องต่อการตอบเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจก็ยินดีเสมอเว้นแต่สิ่งไหนที่ขัดข้องไม่สะดวกในการตอบหรือไม่รู้ก็ตอบไม่ได้อันนั้นต้องขออภัยไว้การแสดงเรื่องอัดเรื่องทำเหตุผลให้ท่านทั้งหลายฟังก็นัดว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้และขอทุกๆท่านเมื่อได้มาพร้อมเพียงสามัคคีด้วยการอบรมในหลักหลักความรู้วิชา แล้วต่างคนให้ต่างทาหน้าที่ตามหลักวิชานี้อันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านของประเทศชาติของเราในตัวและตัวของเราเองในอนาคตต่อไปขอยึดหลักฐานที่แสดงมาไว้หรือที่ท่านศึกษาท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วนี้ไปเป็นหลักใจเป็นหลักความประพฤติท่านทั้งหลายก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดถึงประเทศชาติของเราก็จะอยู่แน่นหนามั่นคงเป็นคู่ของคนไทยเราสืบไปตลอดถึงพุทธศาสนาก็ จะเป็นเครื่องปกครองเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขออำนาจทางบุญญาณุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพข้าพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมประสงค์จงดมดานให้ท่านทาั้งหลายมีความสุขกาสบายใจโดยในที่ดแสดงมาก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทาั้งหลายโดยทั่วกันเทิน